การเตรียมตัวตายแบบพทธถามทำอย่างไรถึงได้ชื่อว่าเตรียมตัวตายอย่างถูกวิธีทางพทธตอบคนไทยนั้นแค่ให้พูดเรื่องตายตายก็ถือว่าเป็นอัปมงคลเด็กโดนพ่อแม่ตีเพี้ยไปหลายคนแล้วครับเวลาสมมติอะไรเกี่ยวกับความตาย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 หาใช่การเตรียมตัวตายเยี่ยงพุทธที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างใดพุทธเราต้องการความไม่ประมาทและความไม่กลัวสองตัวนี้ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจนะครับไม่ประมาทและไม่กลัวไม่ประมาทคือเลิกหลงนึกว่าเราจะได้มีชีวิตไปเรื่อยๆปุตชนย่อมไม่อาจพยากรวันตายของตนเองจึงควรเตรียมตัวพร้อมไวเสมอ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 อย่างไรก็ตามแม้ศัพเปเร์และแพทย์พยาบาลจะรู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมดาทว่าเมื่อชินๆไปพวกเขาก็อาจจะไม่สำเนีกว่าวันหนึ่งจะถึงตาตนบ้างแสดงให้เห็นว่ามรณะสติที่เกิดเองโดยอาชีพยังไม่เพียงพอจะน้อมเข้ามาสู่ตนจนเป็นมรณะสติแบบพุทธที่แท้จริงอย่างไรก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่ดี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 เครื่องกระตุ้นที่ดีคือคำถามที่มีต่อตอนเองเสมอๆว่าเราพร้อมจะตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรื อ, อยังเสเบียงสำคัญสูงสุดสำหรับการตายแบบปัจจุบันทันด่วนได้แก่สติความสามารถระลึกถึงกุศ ล, ลกรรมที่ทำเป็นประจำรวมทั้งคุณภาพของจิตที่พอจะฉายสว่างไม่หมวนมืดปิดทางสุขติ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 ไม่รู้ตัวว่าขาดสเสบียงเพื่อความรอมตายถ้ายัางคิดดีไม่ได้เป็นปกติให้รีบบอกตัวเองว่าของอย่างนี้ช้าไม่ได้นะของมันต้องใช้เวลานะต้องทุ่มแรงฝึกฝนตัวเองนะไม่ใช่จูจ่ๆเราจะคิดดีเสมอๆได้โดยปราศจากความพยายามดัดนิสัยตนเอง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 แล้วไต่ระดับขึ้นไปอภัยในเรื่องยากๆอย่าให้เหลือรอยพยาบาทใดๆตกค้างในใจก่อนตายไม่เช่นนั้นแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายโดนเบียดเบียน ร, รังแกความพยาบาทที่ยังคาใจย่อมไม่พาเราไปดีมีแต่ที่มืดที่เหมาะสมกับใจพยาบาทอาฆาตแค้นอยู่นั่นเอง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 ของแบบนี้ต้องใช้เวลาพยายามฝึกและต้องสังเกตด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วตามวันเดือนปีที่ฝึกตนมา mm. เมื่อตระหนักว่าอะไรอะไรก็ต้องใช้เวลาการนับเดือนนับปีสำรวจความคืบหน้าของตอนเองนั่นแหละคือการนับถอยหลังเตรียมพร้อมสาหรับวันตายเป็นในตัวใจคุณจะจดจอ่อ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 ความอบอุ่นใจจะเป็นมาตรวัดที่ดีว่าเราเตรียมตัวพร้อมพอแค่ไหนแล้วทำนองเดียวกับคนที่ทราบว่าแผ่นดินต้องไหวแน่น้าต้องท่วมแน่พายุต้องกระห น, น่าแน่ไฟต้องไหมแน่ก็ใช้เวลาที่พอมีเหลือเพื่อเตรียมสเสบียงเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือขจัดอุปสรรคในการเดินทางไกลไปในป่ารกให้พร้อม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 กล่าวโดยรวบรัดการเตรียมตัวอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่นึกนึกเอาว่าเดี๋ยวเราจะระวังตัวเดี๋ยวเราจะตายแต่เป็นการเตรียมนิสัยเตรียมความเคยชินว่าจะตายพร้อมกับกุศ ล, ลจิตตราบใดยังคิดมากวกไปวนมาอย่างขี้กังวลอย่างหวงสิ่งที่ไม่ควรหวงยังไม่อาจตัดทิ้งพันธะผูกใจ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 ผลที่คุณจะเห็นชัดเมื่อเปลี่ยนนิสัยได้สาเร็จคือความโล่งอกคิดถึงวันตายแล้วเกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดนั่นก็เพราะเหตุที่จะทำให้ตายไม่ดีหายไปก้อนใหญ่นั่นเองเมื่อได้ความอบอุ่นใจอย่างใหญ่ในเบื้องต้นแล้วจะเห็นว่าไม่ยากเลยที่จะกระจัดความชั่วร้ายในลำดับต่อๆมาซึ่งเมื่อกำจัดได้อีก